ท่านมีแต่แน้นำสั่งสอนพี่น้องประชาชนช า, าติชาญาตโยมที่มาเกี่ยวข้องมีแต่สอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมท่านก็ยืนยันหัวเด็ดตีงขาดว่าตายแล้วไม่สูนนะั้นลูกหลานตายแล้วเกิดอีกแต่พวกเราท่านทั้งหลายมีแต่ได้ยินเสียงมาจากไม่ใช่พระจาร์ทุริทิศไม่ใช่สีทิศมันมากกว่าสีทิศ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 แล้วก็ให้คนนั่งนั่งล้อมรอบมอดดูที่วิญญาณจะออกได้ยังไงออกตรงไหนก็ไม่เห็นวิญญาณออกพวกนั้นข้าพเจ้าจึงมั่นใจว่าตายแล้วศูนย์แน่นอนเออเอาไปเผาไฟทิ้งกระจบกร่างกายไม่มีอะไรนี่แหละคนสมัยนั้นจใช่ย่อยเมื่อไหร่เออ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 ด า, าราะบทอุตกระดาบทาสองรือสีที่อยู่ในละแวกนั้นเข้าไปศึกษาลือีเหล่านั้นก็สอนวิชาเรื่องสมาธิให้สมาธิให้สิท ธ, ธัตถะท่านสิท ธ, ธัตถะจบเรียนจบโดยเร็วท่านรือสีทั้งสองทั้งว่าอื่นเนี่ยจบแล้วหลักสูตรของผมขอให้ท่านมาเป็นอาจารย์แทนผม้วผมจะตายแล้วอายุมากแล้ว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 ไม่รไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่แต่การแข่งแย่งกันแบบสัตว์รชาญ น, นิสัยสัตธ์รชาญอันนี้ว่ามนุษย์สัิร์ฉาญโนมนุษย์เปโตรร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจหิวโหยอยากอยู่ตลอดมีความโลภในจิตใจอยู่ตลอดอันนี้เรา่มนุษย์จะเปโตมนุษย์สะเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจสูงสง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 อาต่อนี้ไปรับพรพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร